ท่านฟังค่ะดิฉันสันสีหน้าคงนะคะจะได้พารัตนาท่านมารให้ปฏิบัตินําการปฏิบัติและก็อ่านประสูต์ให้ท่านทัน้งหลายได้ฟังแล้วตอนนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาของการที่จะได้มาถามตอบ ก, กับพระอาจารย์เพิบุญญาพิปุญโนเพื่อให้ท่านนําพุทวจัจนะมาตอบให้กับพวกเราผ่านทางรายการนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ใจนะคะว่าท่าน ฟังอยู่ที่ไหนกันบ้างเพราะเรามีทั้งสถานีวิทยุครอบครววข่า ว, าวสวทรอ FM ฟเอร้แล้วก็วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเจริญพระเกียรติไปพบกับพระภัยบุ์กันเลยค่ะในมห ก, การกันทั้งคะ่ะพระพรค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่มามพบกันพูดถึงเรื่องของการปฏิบททัติดิฉันก็สนใจแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของโลกซึ่งเิีันเชื่อว่ามันควบคู่ไปกับทำได้เนี่ยก็สนใจก็จึงมักจาก หยิบย้มพูดในรายการจะได้ทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยได้เข้าใจว่าไอ้โลกที่เราอยู่บนนี้มันมีธรรมซ่อนอยู่ถ้าเรารู้ใช่ก่อนที่ไปถึงตอนนั้นเรามายกย่องคุณพระศ า, าสดาในช่วงของการร่วมเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตีกันก่อนดีไหมคะเชิญพอนในเรื่องของการสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้านอกจากจะสอนบุคคลตั้งแต่เช้าวนา กราบบดีชาวร้านตลาดจนถึงราชาหมากริย์แล้วเนี่ยนะยังมารวมถึงเทวดา <Huh. S 1> เทพนารพระรต่างๆด้วยเนี่ย เ, เรื่องของการสอนนี่ก็เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องของข้อมูลที่พระองค์นํามาสอนเนี่ยเราจะสังเกตว่าไอ้พระเาเนี่ยเราพูดแต่เรื่องของธรรมะทั้งนั้นเลยนะีไม่มีการมาพูดเล่นพูดตลกโปกฮาปล่อยมุก ป, ปล่อยอะไรไม่มีนะีหรือพูดอดไเพื่ปลอยประโยชน์ก็ไม่มี เราจะพบว่าไอ้บทเพียนชนะที่เราพบอยู่ในพระไตรปิฎกรหรือสิ่งที่เป็นพุทธวัฒนะเนี่ยแม้เหมือนการงานเขียนเลยนะคุณคุณยมเตียวเนื้อไหมเหมือนงานเขียนที่แบบแม้พูดถ้าใครพูดด้วยบทเพียนชนะอย่างเงี้ยเรารู้สึกมันจะแข็งๆด้วยซ้ำแล้วก็เออพวกเป็นแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบระเบียบมีความคมชัดนะบทเพียนชนะลึกซึ้งก็ก็ค่อนข้างจะเนียบมากทีเดียวคือเนียบเนียบอยู่ละแต่ค่อนข้างแปลกทีเดียวในในความหมายธรมานะ ก็น่าสนใจมากนะคะดิฉันเองตอนแรกก็ยังคิดอยู่ว่าหรือจะเป็นเพราะว่าสาวกทั้งหลายที่พอมาถ่ายทอดก็ถ่ายทอดกันแต่คำสอนไม่ยอมถ่ายทอดเวลาที่ท่านพูดอย่างอื่นใช่หรืออาจจะเป็นว่าคือคือไม่น่าจะใช่หรอกคุณโยมติ๋วที่ว่าถ่ายทอดแต่คำสอนไม่ถ่ายทอดอย่างอื่นนะนะขณะว่าพระเจ้าแย้มพระโอ์ยิ้มอย่างเงี้ยแตท่านพระอนนก็ยังสังเกตเห็น ม, มันคุณคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆที่ว่ า, าพระองค์พูดอะไรก็คือจดมาเท่าที่พูดหมดแล้วค่ะเพราะว่ายัางไงคําพูดประาศาสดาพูดอย่างอื่นก็ต้องสมควรแก่การบันทึกช่จดจําไว้ซึ่ ง, งสรุปค่ะซึ่งพระชา้าคงจะแบบว่าทราบอนะว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็จะต้องบันทึกคําที่พระองค์พูดแล้วพระองค์ก็จึงไม่พูดอะไรที่มันแบบไร้สาระอย่างเงี้ย สําคัญนะคะคำพูดของคนที่เป็นผู้นําเนี่ยเพราะว่าดิฉันว่าบางทีเนี่ยคนก็คอยจับคําพูดทีนี้ถ้าเอาไปถ่ายทอดไปถ่ายทอดไปถ้าทาให้มันเกิดการเสื่อมเสียขึ้นมาได้<ช>ก็ย่อมไม่ดีเพราะคนก็มักจะถ่ายทอดคําพูดของคนพิเศษอย่างเงี้ยดังนั้นพระพุทธองค์ของเราพิเศษยิ่งกว่านั้นอีกนะคะเพราะสิ่งที่ ท่านตั้งใจจะให้พวกเราได้รู้จากท่าน ท, ทั้งที่ตอนแรกเนี่ตั้งใจจะไม่สอนแล้วแต่สหามบดีพรมไม่สอนเนี่ย <c oughs> ก็คือเรื่องของธรรมนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าหมดหรือยังสำหรับเรื่องของพุทธชียนตีอ่ก็มีมีเท่านี้สำหรับวันนี้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราขอให้รู้ว่าคำพูดของพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงให้ค่ากับมันมากมพวกเราลองจินตนาการสิคะแมทฉันเนี่ยพูดแล้วละอายใจ คำพูดที่พูดไปเนี่ยสมมติว่าพูดห้านาทีเนี่ยจะเหลือใช้ได้จริงๆเป็นเนื้อเนี่ยถึงครึ่งนาทีหรือเปล่าเนี่ยต้องมาทบทวนเพราะว่าเป็นคนชอบพูดเล่นหรือว่าอย่างครูบาอาจารย์บางท่านเนี่ยเราสังเกตเห็ น, น ว, ว่าท่านเนี่ยพูดน้อยๆอ ย, อยพูดแต่ละครั้งเนี่ยต้องเอาไปคิดแล้วคิดอีกซึ่งซึ่งเป็นลักษณะเดียวกับที่บูชานั่นแหละ ดิฉันเองได้มีโอกาสสัมผัสกับครูบาอาจารย์รูปหนึ่งนะคะอื mm hmm. ก็ต้องกราบเกลินเลยว่าดิฉันทึ่งวิธีการพูดของท่า น, น่ย mm hmm. ก็เหมือนกับว่าท่านระมัดระวังที่จะพูดอะไรมากไม่มีน้ำมีแต่เนื้อ mm hmm. พูดแบบตัดกลุ่มใช่นี่ก็ระดับสาวกพองพุทธเจ้านะคะ mm hmm. ถ้าท่านเข้าถึงธรรมแล้วท่านก็จะพูดแต่สิ่งที่เป็นธรรมพูดแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ใช่ อันนี้ผู้ชาก็ตรัสไว้ชัดเจนนะที่ว่ากล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นทําเป็นวินยัยนะถูกตามการแล้วก็คนอื่นพอใจค่ะหลักการพูดของพระพุทธเจ้าในน่าสนใจมากจริงๆถ้าใครนำเอาไปพูดได้เลยฉันว่าชีวิตมันมีคุณค่าเหลือเกินท่านพิบูนค่ะทีนี้นวันนี้เนี่ยหรือฉันอยากจะพูดถึงเรื่องหนึ่งก่อนจะไปถึงเรื่องของบ้านเมืองก็คือว่ากาลังจะมีกิจกรร ม, มนะคะที่ คนไทยกลุ่มหนึ่งโดยมีสมเด็จเกี่ยวคือสมเด็จพระอาจาร์ท่านทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีท่านสุเมธตันติเวชกุลเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในขณะที่คุณหญิงสุดารัตน์เกลิราพันธ์ก็เป็นประธานฝ่ายดำเนินการเป็นสะพานบุญไปบุรณะปฏิสังขรสถานที่ประสูนิ์ของพระพุทธเจ้า เป็นโครงการต่อเนื่องเขาทำมาสองระยะแล้วคือทำทางเดินทำลานสำหรับให้คนไปนั่งสมาธิสวดมนต์ห้าลานตอนนี้ก็จะมาถึงตอนที่ทำระยะที่สำคัญมากอีกเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นการาไปบูรณะในส่วนหน้าเสาอาโศกด้วยความที่คนไทยนับถือาศาสนาพุทธเป็นจานวนมากมแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวของเราในปีนี้ จเจริญพระชนพรรษาแปดสิบสี่สมเด็จพระนางเจ้าก็แปดสิบพรรษาก็จึงจะมีการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าน้อยอขนาดใหญ่มากเนี่ย น, นะคะเพื่อไปประดิษฐานตรงลานที่ทางเดินซึ่งจะเข้ามาภายในบริเวณสถานที่ประสูนย์เนี่ยทุกคนต้องผ่านตรงเนี้ค่ะอเป็นตำแหน่งที่จะให้ทุกคนเนี่ยกราบนมัสการก่อนที่จะเข้ามาข้างในออื ก็จะมีการนำเอาแผ่นทองที่จะให้คนไทยร่วมกันทำบุญจำนวนหกแสนแผ่นเลยนะคะขนไปทั้งหมดไปเข้าพิธีที่วิหารมายาเทวีเลยเออกำลังจะเดินทางันต้นเดือนมีนาเ น, นี่ยค่ะที่ฉันก็จะร่วมคณะไปด้วยออแล้วก็มีพระสงฆ์จากประเทศไทยไปกลับไปนิมนต์พระสงฆ์นานาชาติที่นั่น ร่วมกันประกอบพิธีรวมแล้วน่าจะมีพระสงฆ์สัก108ร้อยแปดรูปนะคะก็เล่าสู่กันฟังและให้เตรียมตัวไว้สำหรับท่านที่มีความรู้สึกอยากจะร่วมในกุศลครั้งนี้ดิฉันจะมาแจ้งต่อไปก็แล้วกันดีอยู่ดีอยู่ <c oughs> ขอวนุญาตใช้เวลาตรงนี้ทีนี้มาถึงคำถามละได้เขากำลังจะมีการรื้อฟื้นเรื่องของการประหารชีวิตกันไหมคอว่าคนที่ค้ายาเสพติดจะลงโทษประหารชีวิตประหารชีวิตคือการฆ่า แต่ไม่ฆ่าเขาก็ว่ามันก็ไปฆ่าคนอื่นเยอะอคนที่ขายยาเสพติดอย่างเงี้ยนะคะในมุมมองของพระพุทธศาสนาอ่อต่อเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรคะท่านค ะ, ะก็ถ้าพูดถึงเรื่องของศีล เ, เ, เอาอันนี้ก่อนคือคือเรื่องระบบการปกครองบ้านเมืองเนี่ยกับแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะคือไม่เหมือนตรงที่ว่าเรื่องของการพิจารณา เรื่องของตัวบทวเรื่องของศีลสิ่งที่ผู้ชอบบัญญัติไปแล้วก็จะเหมือนกันนะแต่การพิจารณาจะไม่เหมือนกันมต่างกันยังไง <Okay. S 1> เอาแค่ตัวบุคคลก่อนแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยไม่ควรจะต้องฆ่านะไม่ควรฆ่าอันนี้คือจบเลยมันไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิน้น <Okay. S 1> แต่ถ้าคุณจะฆ่าคุณก็ไม่มีข้อยกเว้นนะนะที่คุณจะฆ่านี่คือสิ่งที่คุณจะต้องทําทีนี้ไอ้เรื่องของการฆ่า <Okay. S 1> อย่างสมมุติคนที่ทําผิดและถูกฆ่าคนที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วนะ พระเจ้าให้ทําตรงนี้ดูตรงนี้อย่างไรแต่พระเจ้าให้สําหรับคนที่ยังไม่โดนแต่เพื่อที่คนยังไม่โดนเนี่ยพอเขาเห็นสิ่งนี้แล้วเนี่ยเขาจะเกิดความกลัวลกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันทําไปนี่ฉันจะต้องโดนอย่างนี้นะเฮ้ยฉันอย่าทำดีกว่าอันนี้เป็นเครื่องเตือนสติคือคนอื่นฆ่าฆ่าไปไม่เป็นไรเราไม่ต้องไปด่าใครไม่ว่าใครหรอกแต่ถ้าสภาเขาจะผ่านก็ผ่านเรื่องของเขานะเราไม่ได้อยู่ในสภาเแต่ถ้าเราเป็นคนที่เห็นเหตุหการณ์นี้เกิดขึ้น เราควรจะต้อง็อยระวังว่าเอ้ยฉันไม่ทําอย่างงี้ดีกว่าทีนี้แล้วพวกที่อยู่ในสภ า, าจะยกมืออะไระยกมือสนับสนุนหรือยกมือคัดค้านดีนะเออคุณเป็นตัวแทนประชาชนกู้ไปสาวเสียงจากประชาชนกันแล้วกันอืมแล้วก็ถ้ามองอ่ะค่ะแล้วถ้าเป็นพระราชานะพระราชาเนี่ยอหรือว่าคนที่ดูแลบริหารบ้านเมืองเนี่ยคุณจะทํากฎนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยก็เคยมีเรื่องเล่านะ ที่ว่ามีพระเจ้ามีอยู่ชาติหนึ่งที่เกิดเป็นพระราชานี่แหละแล้วก็สั่งลงโทษคนที่ทําผิดแล้วตัวเองก็เลยไปตกนรกเพราะข้อนั้นเป็นเหตุก็เหมือนกันลักษณะอย่างผู้พิพากษาเนี่ยบอกเลยก็ได้ว่าถ้าคุณสั่งประหารชีวิตนี้คุณก็มีส่วนผิดเหมือนกันผิดศีล น, น, นะนะ mm. แต่ว่าถ้าเผือว่าเราทําด้วยจิตที่ไม่มุ่งร้ายความผิดนั้นก็อาจจะไม่สามารถนำเราเป็นนรกํกรดิดจารชาญเปรตวิสัยได้ แต่เพราะมันก็จะไม่หนักนึงขนาดไปขนาดนั้นค่ะแต่ก็มีส่วนบิดหนักแน่คืออันนี้เป็นเรื่องบ้านเมืองกับเป็นเรื่องของธรรมที่มันอาจจะไปด้วยกันสนิทแน่นร้อยเปอร์เซ็นตคงเป็นไปได้ยากแต่ถ้าหากว่าอันนี้ดิฉันพยายามสรุปนะคะว่าแต่ถ้าหากว่าเรามาแยกแยะเป็นส่วนๆในส่วนของการฆ่าก็ถือเป็นเรื่องของศีล แล้วก็ศีลไม่มีกรณียกเว้นบัญญัติไว้ว่าผลเป็นเช่นไรก็เป็นเช่นนั้น น, นการฆ่าถ้าฆ่าไม่บ่อยทําให้เกิดอะไรไหมคะออถ้าฆ่าโดยทีอย่อย่างผู้วิพักษ์ษาออาฆ่าบ่อยๆใช่ไหมไม่ไม่บ่อยไม่ฆ่าแบบมันมันเป็นกรณีจําเป็นหรือมันบันดาลโทสะอะไรอย่างเงี้ย น, นะคะผลวิบากอย่างเบานะก็จะเป็นไปเพื่อความอายุสั้น ผลไม่บอกยังบอกก็จะเป็นใบเพื่อความอายุสั้นแต่ถ้าทำเป็นอาจินมีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างค่าอนี่ก็นรถกำเนิดกรยชัน เ, นเปริมิสัยและสมมติว่าไม่ใช่มีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างค่าแต่มีอาชีพที่ต้องเลี้ยงชีพเชืออไก่เป็นประจาชีวิตไก่กับชีวิตคน ม, มีผลเท่ากันไหมคะออมันก็อยู่ที่ เออเรื่องนี้พยากรยากนะคุณโยมติว๋วเพราะว่ามันอยู่ที่เจตนาของบุคคล น, นั้นด้วยถ้าเขาฆ่าไก่ด้วยความที่แบบเพลิดเพลินสนุกสนานอันนี้เขาก็โดนหนะัก ท, ท, ทีนี้เอเรื่องการฆ่าเนี่ยเราจะพูดถึงว่าคุณอายุสั้นบ้างคุณไปตกนรกบ้างนี่คือผลนระดับสามนะคือผลในเวลาต่อไปต่อไปอีกทีนี้ผลในปัจจุบันและผลในเวลาต่อมาเนี่ยมันมีอะไร เ, เราพูดถึงผลในปัจจุบันเนี่ยคืออย่างน้อยจิตคุณ น, นี้ไม่ปกตินะจิตคุณเนี่ยแบบ แบบบ้าไปแล้วคือจิตเพี้ยนจิตจะมีความร้อนจิตจะมีความโกดแค้นขุ่นเคืองเอาง่ายๆเราไม่ต้องพูดถึงนะบี้ยุงเอาคุณนั่นสงสมาธิอยู่สบายๆคุณมีมิมิมิมาบี้มันพั่วเนี่ยเอาจิตตรงนั้นแวบหนึ่งเนี่ยมันมันไปผิดแล้วนะมันร้อน <คะ S 1> ขึ้นมาแล้วอันนี้คือผลในปัจจุบันคุณได้รับเห็ น, เ ห, นเห็นทันตีค่ะผลในเวลาต่อมาพรุ่งนี้มีเพื่อนมาสกิตเธอเธอเมื่อคืนข่ายุงเหรอโอ๊ยเราจะรู้สึกละอายมากเลย นั่นจะเป็นความอายที่เขาจะได้พบเจอผลจากอะไรข้ายุ่งั่้ไงเราไม่ต้องรอถึงตอนตายคุณะเห็นผลความชั่วที่เกิดขึ้นทำขึ้นเดี๋ยวนี้เลยค่ะนะคะนั้นท่านในด้านของศีลแล้วมันก็เป็นไปตามกรอบของศีลที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลาเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนแปลงหลักการก็เป็นเหมือนเดิมใช่ค่ะส่วนในเรื่องของบ้านเมืองก็ว่ากันไปตามประบอของบ้านเมือง แต่เราอย่ายไปยินดียินร้ายกับเขาถ้าเราไปยินดีเออดีแล้วมีกฎไม้คฆ่ากันหุ้ยมันเราก็เป็นคนไม่ดีละในฉันเพิ่งอ่านเดี๋ยวนี้เขาจะมีการส่งข้อความสั้นๆหลายแบบมนะคะถ้ามาใหม่กับ i p h o n เอเขาก็จะมีอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไลน์ก็มีคนส่งเข้ามาเล่าเหตุการณ์ว่าระเบิดที่มันเพิ่งเกิดขึ้นที่ว่ามีชาวต่างชาติเป็นคนทา แถวสุขุมวิทบ้างซอยปีดีพนมยงค์บ้างอนะคะทีนี้ในนั้นน่ะก็มีถ้อยคําสั้นๆบอกว่าโชคดีที่คนทําตายอืเด็กฉันก็เลยไม่รู้ว่าอ่านแล้วขำคะ่ะคือมีความรู้สึกเหมือนว่าเรายินดีที่คนทำมันตายซะได้อือย่างเงี้ยคะ่ะไปพลอยยินดีกับเขาอันนี้ไม่ได้ว่าใครเลยนะคะดิฉันอยากทราบเป็นหลักการนะคะเหมือนกับแม้มันเป็นคนร้ายตายซะก็ดีอะไรงเงี้ยไอ เ, เราไปยินดีกับเขาด้วยเนี่ย เป็นยังไงคะทางธรรมเอ่อก็เป็นการเบียดเบียนคนอื่นนะเป็นจิตที่ยังมีการเบียดเบียนอยู่แล้วก็ถ้าเราไปสมน้ำหน้อาอัี้คือการเบียดเบียนละ่ะแล้วถ้าไปเราไปมุ่งร้ายเขาก็คือการความพยาบาทละ่ะอคือไงมันมีแน่นอนถ้าคุณไปคิดว่าเออสมน้ำหน้ามันไงจิตนี้คุณเป็นจิตเบียดเบียนทีนี้อย่างนี้ในะะท่านกับการที่เราเป็นคนที่อยู่ในยุค ข, ข้อมูลข่าวสารเราเสพข่าวโดวยไม่ตั้งใจเนี่ยโอ้มโหมันมาพลาดพลาดดสารพัดทาง ถ้าทีต่อข่าวต่างๆซึ่งมันก็ทำนองเดียวกันนะคะเราต้องมีอารมณ์ร่วมอ่ะไม่อารมณ์ซ้ายอารมณ์ขวาอารมณ์หน้าอารมณ์หลังหนักเบาว่ากันไปเราควรทำยังไงล่ะคะอาจาที่เราควรทำในกรณีนี้นเนี่ยก็คือว่าเราแผ่เมตตาให้คนที่ตายซ ะ, ะอันนี้ก็ดีเป็นสิ่งที่ดีแน่อ่หรือในสมัยนี้มันมีเขาเรียกว่าเฟซบุ o กนะแล้วก็จะมีกดไลค์ใช่ไหมบางีคนก็ไป กดไลค์กรณีที่มันไม่ดีไม่ดีอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้เราก็จะตอบสนองได้แค่เราก็คลิกไลค์เฉพาะส่วนที่ดีแต่ถ้าเป็นข้อความดีๆโผล่ขึ้นมาเราก็กดชอบก็แค่นั้นเองถ้าข้อความไม่ดีกดมาส่งมาก็เงียบๆไว้เราก็ไม่ได้ต้องตอบสนองอะไรแค่กดไลค์นี่เป็นเรื่องแล้วเปล่าคะท่านคะอ้าวจิตคุณก็น้อมไปทั้งนั้นไงพี่ยิ่งน้อยเราเราไม่ได้แสดงออกทางทางกาย ใจเรายังไงก็ต้องรีบประคองไว้อยู่แล้วเนี่ยค่ ะ, ะท่านพะบูลพูดมาถึงขนาดนี้ถ้าดิฉันจะสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะมว่าท่านผู้ฟังคะท่านเห็นไหมคะว่าเราสามารถจะปฏิบัติ ท, ทําได้ตลอดเวลามแม้แต่กระทั่งตอนอยู่หน้าการสื่อสารในยุคใหม่มเขาเรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์นะคะท่านจะกดเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับใครเนี่ย ยังสามารถจะเป็นการตัดสินใจไปเพื่อกุศลหรืออกุศลได้เลยถูก ต, ต้องเพียงเลยออืเห็นไหมธรรมะเราไม่ใช่เรื่องครึครึ้นะคะเป็นเรื่องทันสมัยทีเดียวกระทุนพิบูรณ์คะวันนี้คงจะเป็นเวลาที่สมควรอีกแล้วลวคะค่ะที่จ ะ, จะต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านนะคะนมัส ก, การขอบพระคุณคะ่ะเจนนุบังเจนหว่างก็เห็นไหมคะได้ติดปลายนวมาไปใช้หมดเลยฟังรายการนี้ รายการสัมมนีสนทนาที่สนทนากันแต่เรื่องว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนะคะเรามาพบกันได้เป็นประจำเลยค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตี5ถึงตีหครึ่งที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว SM106 วิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติด้วยวันนี้เราก็คงจะบอกว่าคำถามต่างๆนะคะอยากถามท่านบูลตรงๆเนี่ยท่านส่งเลยที่เียว a .com/ 1 0 6 หรือว่าจะส่งมาที่022690006เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะคะท่านขอหนังสือได้2690006หนังสือที่ขอมาก็เฉพาะหนังสือพุทธวจนะที่ท่านอาจารย์คริสมอบมาให้เท่านั้นนะคะวันละสามท่านวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะพบกันวันพรุ่งนี้พุทธวัตรสวัสดีค่ะ